หลักการเจริญสติรู้อายตนะหกหนึ่งรู้ในตารู้รูปที่เห็นรู้กิเลสเครื่องผูกใจที่อาศัยตาประจวบรูปสองรู้หูรู้เสียงที่ได้ยินรู้กิเลสเครื่องผูกใจที่อาศัยหูประจวบเสียงสรู้จมูกรู้กลิ่น รู้ก trend, hazard, Import, ิเลสเครื่องผูกใจที่อาศัยจมูกประจวบกลิ่น 4. รู้ลิ้นรู้รสรู้กิเลสเครื่องผูกใจที่อาศัยลิ้นประจวบรส5รู้กายรู้สิ่งถูกต้องรู้กิเลสเครื่องผูกใจที่อาศัยกายประจวบสิ่งถูกต้อง6รู้ใจรู้ความนึกคิดรู้กิเลสเครื่องผูกใจ ที่อาศัยใจประจวบความนึกคิดนอกจากรู้กิเลสเครื่องผูกใจในขณะแห่งการประจวบกันระหว่างอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกแล้วกิเลส ท, ที่ยังไม่เกิดจะเกิดด้วยเหตุใดก็รู้และสำรวมระวังกิเลส ท, ที่เกิดแล้วจะละได้อย่างไรก็รู้กิเลส ท, ที่ละได้แล้วจะไม่เกิดอีกได้อย่างไรก็รู้ ที่แรกเมื่อศึกษาผิวๆฉันก็นึกว่าหลักการกำหนดสติรู้คู่อายตนะเป็นเรื่องเล็กๆง่ายๆเหมือนการสำรวมระวังให้หูตาอยู่ในระเบียบวินัยไม่เอาไปส่องสิ่งที่ไม่ควรส่องแต่เมื่อผ่านการเจริญสติมาถึงเดี๋ยวนี้มุมมองก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเห็นว่าณจุดนี้คือการจเจรยมโคนคูต่อสู้คือกิเลสลงไปทีละดาเลยทีเดียว อย่างเช่นที่ฉันบันทึกไว้ในเดือนก่อนว่าเมื่อกิเลสห่อหุ้มจิตนาเตเริ่มเบาบางลงก็จะเริ่มเห็นอะไรที่ไม่เคยเห็นมากขึ้นเช่นแม้กระทั่งความยินดีเต็มใจให้สังขารขันเกิดแต่ละครั้งที่รู้าอายตนะภายในภายนอกคู่ใดประจวบกันแล้วเกิดกิเลสเครื่องผูกใจนั้นมีความสำคัญมากเพราะจะทาใหเราประจักษ์และตระหนักอย่างแท้จริงว่า กิเลสยังมีด้วยการร่วมมือกันระหว่างคู่อายตนะนั้นๆหากรู้ชัดและค่อยๆลิดปรอนใหญ่อันเหนียวแน่นลงได้ก็จะเป็นการขยบเข้าใกล้ประตูใยคือมักผลยิ่งขึ้นเรื่อยๆเพราะคำว่ากิเลดเครื่องผูกใจนั้นเปรียบเสมือนโซ่หรือเครื่องพันธนาการที่ยึดจิตเราไว้ไม่ให้เป็นอิสระ เมื่อเรากระทําต่อเครื่องผูกใจเสมือนเอาเลื่อยไปเลื่อยโซ่ทีละน้อยและไม่เปิดโอกาสให้โซ่ใหม่เข้ามาผูกเพิ่มก็แปลว่ามีสิทธินับวันถอยหลังสู่อิสรภาพได้